ความสุขความเจริญจะมีได้ท่านผู้ฟังเท่าไร่สี่งทําจากมาวิทยาลัยศรีประทุมกำลังนำเสนอประสูดในตีคณิกายศีละขันธวัตในช่วงปลายของวากนีส่วนใหญ่เพิ่งสังเกตว่าจะมีการพูดสนทนาในเชิงธรรมะเชิงปรัชญา เชิงความเชื่อถือเความเห็นซึ่งก็หมายความว่าแต่และฝ่ายนั้นมีความเห็นอย่างไม่ค่อยจะลงรอยกันแล้วก็มาสู่สำนักพระพุทธเจ้าราทูนให้พระองค์ทร ง, สงแสดงถึงความจริงในเรื่องนั้นๆซึ่งบางครั้งความเห็นของท่านเหล่านั้นก็ใกล้เคียงกัน บางครั้งก็ห่างไกลออกมากแต่ส่วนใหญ่บทสรุปมันก็ค่อนข้างดีและท่านเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็เกิดศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาและมีขนาดบรรลุมรรคผลจนถึงกับออกบวชในพระพุทธศาสนาพระสูตรต่อไปก็หนักไปทางเรื่องาศาสนาและปริญญายอีกเช่นเดียวกัน คล้ายๆกับโลหิเจสูตรคือประสูตรก่อนประสูตรนี้เรียกว่าเตวิจเจสูตรคือสูตรที่ว่าโดยวิชาสามประการพระุตเถจ้าเสด็จจะริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประมาณห0 0รอรูปก็เสด็จถึงหมู่บ้านของพวกพราหม์ชาวโกศลชื่อมนัสสากตะ พระองค์เสด็จประทับอยู่ที่อัมพวันคือสวนมะม่วงหรือป่ามะม่วงริมขางแม่น้ำอจิรวดีอยู่ทางด้านทิศเหนือของสาตคามก็เขตบ้านมณัสาตคามนั่นเองพระมหาสารเป็นอันมากซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายก็อาศัยอยู่ที่มณัสาตคาม เช่นวังกีพราหม์ตาลุขพรามปกระสาติพรามชานุโสนีพรามโตเทยพรามและพรหมหาสารที่รู้จักการแพร่หลายอื่นๆก็มีมานพสองท่านชื่อว่าเศรษฐมานพและพารัตวัชามานพก็เป็นอาจารย์คนละลกสิธิ์กัน แต่ก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันก็ได้พูดถกประเด็นขึ้นมาถึงเรื่องทางและไม่ใช่ทางวัสิธามโนก็พูดว่าที่ท่านสาติปกกระพรามก็บอกไว้มีเท่านี้ว่าเป็นทางส่ง เป็นเส้นทางเดินเป็นทางนําออกย่อบนำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นเพื่ออยู่ร่วมกับพรหมปกรสาธิพรามนั้นเราก็พบท่านมาแล้วนะว่าเป็นพรามผู้ใหญ่ที่เป็นคณาจารย์เจ้าลทัทธิแล้วก็เคยพบกับเคยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่ทีนี้มีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่า ในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาหรือปรัช ญ, ญาหรือแม้แต่วิชาการาต่างๆคนส่วนมากมักใช้ความเชื่อต่อครูบาอาจารย์หรือทฤษฎีหรือหลักวิชาการที่ตนได้ศึกษาเราเรียนมาแม้แต่ในสมัยพุทธกาลเองเราจะพบว่าลูกศิษย์ของคณาจารย์เจ้าระทิทั้งหกท่านก็อ้างอาจารย์ของท่าน แล้วก็ยอมจำนนกับความเห็นของอาจารย์ท่านซึ่งผิดกับมนบบางท่านเช่นภาษาริบุตรและพระโมคคลานะท่านก็เป็นลูกศิษย์ของสัญชัยเวลัฐบุตรแต่ท่านก็ศึกษาในสานะในฐานะผู้แสวงหาความถูกต้องพอท่านสัญชัยพูดมีเหตุผลท่านก็เชื่อ แต่ถ้าพูดไปแล้วไม่มีเหตุผลท่านก็ไม่เชื่อคือหมายความว่าพิสูจน์ไม่ได้แต่ในที่สุดมันส่วนใหญ่มันกลายเป็นเรื่องที่เชื่อไม่ได้และในที่สุดท่านก็ตัดสินใจก็เสียพหาอาจารย์อื่นโดยนัดหมายการระหว่างสองสหายว่าใครเจออาจารย์ดีก่อนก็ให้บอกกัอีกฝ่ายหนึ่งด้วย แต่ถ้าเราดูแล้วคนประเภทนี้ก็มีอยู่น้อยส่วนมากแล้วยอมจำนวนอาจจะครึ่งต่อครึ่งอย่างลุกสิธิ์พระสารีบุตรพร ะ, รระโมคคัลลานะเนี่ ย, ยเราจะเห็นว่าตอนตัดสินใจว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันก็ตัดสินใจแบบเพโลสรพากันไปคือหมายความว่าจะไปพร้อมกันทั้งห0 0ร้ยท่านนั่นแหละ แต่พอเห็นสันใจกระอักโลหิต ด, ด้วยความเสียใจที่ลูกศิษย์หายไปจากอาสมเวลาเดียวกันถึงห้าร้อยเนี่ยลูกศิษย์อีกห้าร้อยก็ใจอ่อนเห็นความสำคัญของคนมากกว่าธรรมะที่ตนเองจะได้หรือผลสูงสุดที่ตนเองจะได้เลยก็ตัดสินใจไม่ไปเดี๋ยวสองรห้าสิ ก็าตามภาษาดิบุตรไป250ผลจาการตัดสินใจของคนสองกลุ่มในคราวนั้นเป็นบทเรียนที่เรามองเห็นได้อย่างต่อเนื่องว่า250คนแรกที่ไม่ไปเนี่ยก็หมายความมามีความปักใจขวังใจมั่นใจในลัทธิคำสอนของสัญชัยอยู่สูง โดยไม่ต้องใช้เหตุใช้ผลอะไรอาจารย์ว่ายังไงก็เชื่ออย่างนั้นเป็นความเชื่อแบบมอบกายถวายชีวิตแต่อ า, อาจารย์ของตัวเองอีสองรห้าสิบคนนั้นก็น้มเอียงไปทางสาริบุตรโมคคัลลานะคือหมายความมารับฟังแต่ก็คิดคิดแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็วินิจฉัยก็ถามถึงวิธีประพฤติปฏิบัติ แล้วก็มีการทดสอบพอทดสอบไปแล้วปรากฏว่ามันไม่จริงนี่นะผลมันไม่ออกมาอย่างนั้นพอไิสูตรผิดพลาดมากข้าวมากข้าวอาิสต์าที่เคยมีในตัวสันใจก็หย่อนแล้วก็คลายไปเพื่อสแสวงหาอรบาอาจารย์ที่โดดเด่นมากกว่าแต่พอมันถึงประสาดิบุตรเนี่ย พระโมคคัลาลานะท่านเหล่านั้นบรรลุให้ลูกสิเห็นเลยลูกสิเห็นว่าลูกพี่เราเปลี่ยนแปลงไปเยอะตั้งแต่ไปพบพระอัสสชิมาเนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะสัมผัสแล้วมันมีความสงบเย็นพระงก็เทใจให้เหมือนกันแต่เราจะเห็นว่าเอาก็จริงแล้วก็ใช้ความเชื่อเดียกัน เพียงแต่วกาฝ่ายหนึ่งเชื่อในบุคคลที่ไม่ควรเชื่อก็อเรียกน้อมใจเชื่อหรือปักใจเชื่ อ, อเอาฝาหนึ่งก็เชื่อในบุคคลที่ควรเชื่อเมื่อได้ผ่านการใช้ปัญญาพินิพิจนาตรวจสอบเทียบเคียงสอบทานมาแล้วแล้วก็ตัดสินใจไปด้วยกันอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าตายด้ว พ้นตามันมีลักษณะหันหลังให้กันเลย250ห้าสิบที่ไม่ยอมไปกับประสาริบุตรมันก็ตายอย่างคนมิชชาทิฐิอีกสองห้าสเป็นพระอระหรันต์หมายความาอีกฝ่ายหนึ่งมันเพิ่มทุกข์อีกอนเอกนกนานเลย จากความเห็นผิดอีกฝ่ายหนึ่งเพิ่มความสุขจนถึงว่าสุขสูงสุดด้วยความเห็นชอบด้วยการตัดสินใจที่ถูกต้องที่ในประเด็นของความเชื่อเหล่านี้เราเห็นว่าว่าเศรษฐะมาน์ก็เชื่ออาจารย์คนตัวเองปกกรสาติพราม บอกอาจารย์เราว่าอย่างเนี้ยมันมีเพียงเท่าเนี้ยทีนี้พระรัตวาชานั้นเป็นลูกสิตาลุกกพราหมท่านก็อ้างคําสอนของตาลุกกพราหมไม่มในเรื่องทางหรือไม่จะทางนั้นตาลุกกพราหมท่านว่าไว้อย่างนี้ว่าไว้เท่าเนี้ทีนี้สองคนนี้เป็นคนที่ไม่ยอมจํานุนอะไรง่ายๆ ไม่ได้ยอมให้อาจารย์เป็นผู้ประกาศสิทธิชีวิตเลือกทางดำเนินชีวิตให้แก่ตัวเองพระรัตัวาชาเขาบอกว่าอันนี้เป็นทางสง่งเป็นเส้นทางเดินเป็นทางออกย่อมนำผู้ดำเนินไปตามนั้นให้อยู่ร่วมกับพรหมได้ทีนี้ความคิดในลักษณะอยู่ร่วมกับพรหมเนี่ย มันเป็นพัฒนาการทางความคิดถ้าเรามองย้อนไปไกลนะก็ตีเสีว่าสัก5้า0ันห0ปีกระแสะความเชื่อสายนี้มันถูกเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ซึ่งมันมีจริงหรือไม่มีจริงไม่รู้แต่ว่าเชื่อกันว่าจริง เพราะว่าเหตุการณ์สมัยนั้นมันก็ไม่ได้มีจดจาหรืออะไรเอาไว้ก็เล่าขานกันฟังจากปากสู่ปากเขาเรียกว่าเป็นมุขปาฐะแต่มันจริงหรือไม่จริงไม่รู้คนเชื่อว่าจริงท่านเล่าในรูปตำนานความเป็นมาของเทพปกรกรน้ำเนี่ยหรือความเป็นมาของเทพเจ้าในเรื่องศาสนาพราหมณ์เราเอาที่เอาที่พรมนะฮะ คือพร้อมแต่ก่อนเนี่ยที่จริงมันไม่มีรูปร่างมันเป็นนามนธรรมเรียกว่าปรามาตามันบ้างมหาตามันบ้างมหาอัตตาบ้างเรียกว่าชีวบ้างเรียกอะไรมากมายไก่กองนะฮะคือเป็นยุคเป็นสมัยที่ชื่อมันเปลี่ยนแต่ว่าภาพรักษ์นั้นไม่ชัดเจน มันอธิบายไม่ได้คือพูดในเรื่องที่ อ, อธิบายไม่ได้พูดในเรื่องที่เราไม่ได้สัมผัสอ่ะไมจะอธิบายยังไงเพราะก็เปลี่ยนวิธีอธิบายกันมาเรื่อยๆ อ, อธิบายย้อนไปถึงกำเนิดของโลกจากการมาพบกันของปรมาตามันกับประกฤษเนี่ย หมายความแบบป็นการประกอบกันของวัตถุกับจิตแล้วก็กลายเป็นสรรพชีวิตขึ้นมาบางยุคบางสมัยเนี่ยตัวเทพเจ้ามีความเป็นนามธรรมเช่นปรมัตตมันนี่เป็นนามธรรมพรมมันเนี่เป็นนามธรรมพรมเนี่ยกึง่งกึงรูปธรรมก็บกึงก่งๆนามธรรมพระพรมในตอนแรกก็เป็นนปุงสักกลิง คือไม่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายในการต่อมาก็เป็นผู้ชายที่ตอนแรกก็ไม่มีพัญญาไม่มีสักดิแต่ว่าก็ขยานต่อความรู้สึกของประชาชนที่มันก็เสียเชิงนะะนับถือกเ็เถยเนี่ยก็เสียเชิง เป็นชายจริงยิงแท้แต่ไปนับถือคนที่ไม่หญิงก็ไม่ใช่าชายก็ไม่เชิงนี่เขาก็รู้สึกเสียเิงแล้วก็อธิบายให้มีศักดิศัตดิก็คือพัญญาหรือมเหสีนั่นแหละตอนนั้นมันก็เกิดเทพดีมูรติแล้วหมายความว่าเกิดประศิว่าเกิดพาดพนารายเกิดพระพรหมขึ้นมาแล้วพระพรหมก็เป็นรูปเป็นร่างแล้ว การที่ขอให้มีศักดีเพียงหนึ่งเดียวก็เพราะกลัวว่าพระพรหมจะเป็นขี่ชูแบบพระอินทร์พระพระอินทร์ก็เคยยุ่งเรื่องพัญญาของชายอื่นในเรื่องรามายณะนี่เราจะเห็นว่าเจริงหลายครั้งไปยุ่งกับมียโคดมฤษีเกิดลูกมาเป็นพารีแล้วก็ปะรบกับเมฆนาดลูก พระอินทร์ลูกทศ ก, กัณฐ์ก็แพ้เมฆาหนาจนเม่คหน้กลายเป็นอินทรชิตเป็นต้นเนี่ยเลยก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆดังกล่าวบางยุคได้ชื่อว่าประชาบดีบางยุค ก, ก็ชื่อว่าอินโทแล้วก็เรียกชื่อต่างๆสกกะสกเกิดอะไรอย่างที่เราคุ้นๆนี่แหละ ทีนี้ในที่สุดเนี่ยมันก็พูดย้อนกลับเข้าไปสู่อดีตถึงการอุบัติของมนุษย์มนุษย์นี่เดิมทีเดียวมันไม่มีหรอกมันมีประกรีดกับปรมาตมันคือนา ม, มาธรรมกับรูปธรรมเท่านั้นเองแต่เป็นที่รวมมหาศาลทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นา ม, มาธรรมในการต่อมา บรมาตามันก็คือนมามธรรมก็มาเจอกับประกริซึ่งเป็นรู ป, ปรธรรมก็มีความรู้สึกนึกคิดมีความพอใจมีความชอบใจติดใจสยบติดในตัวประกติแเดียวก็แยกตัวเองก็ไปสิงสู่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็ในการต่อมาก็พูดในแนวมีผู้สร้าง แล้วก็พวกพราหมณ์ก็เป็นคนต้นคิดในเรื่องเหล่านี้ก็เรียกชื่อผู้สร้างให้สอดคล้องกับตัวเองก็เรียกว่าพรมก็เป็นอาจใกล้ๆกับเป็นที่มาของพราหมณ์นะฮะว่ากันตามความจริงเป็นที่มาของพราหมณ์แต่ ว, ว่าพูดไปพูดมาแล้วปรากฏว่าพราหมณ์เป็นที่มาของพรมไม่ใช่พรมเป็นที่มาของพราหมณ์ก็ มาเกิดเป็นเทพเจ้าผู้สร้างขึ้นมาหมายความว่ามันเป็นที่มาของการสับะชีวิตเนี่ยแต่มาแล้วมันไม่สนุกอ่ะอันนี้ต่ทุกข์มากไยา ก, กายกองในโลกนี้ก็เพียรพยายามปฏิบัติเพื่อไปเข้าอยู่รวมกับปรมัตตมันคือพรห ม, มันเนี่ยเหมือนเดิมเพราะเราจะเห็นว่าลักษณะการอธิบายของปกกรสาติกด็ดีของตาลุกะพรามก็ดี หมายความว่ามันมีทางดำเนินทางดำเนินก็มีทั้งทางมาคือมาจากพระพรหมนั่นแหละแล้วทีนี้ก็ไม่พอใจในการเป็นชีวิตทั้งหลายเพราะว่ามันมีแต่ทุกข์ก็แสดงทางไปซึ่งทางถูกหรือทางไม่ถูกก็แล้วแต่แหละเขาพูดถึงทางถูก ว่าจะดำเนินเข้าไปอยู่รวมกับพระพรหมหมายความว่ า, เ, าเริ่มต้นก็มาจากพรหมแล้วก็ปลายสุดสุดนี่คือไม่ต้องประสบความทุกข์อีกก็การไปอยู่รวมกับพระพรหมหมายความมามาจากไหนก็ไปที่นั้นกลับคืนไปที่นั้นตกลงว่าความเห็นของท่านทั้งสองเนี่ย ไอ้จุดที่มากับที่ไปเนี่ยมันมันเหมือนกันแต่ว่ามัคควิธีในการดําเนินไปสู่ดําเนินจากที่มาแล้วเพจะกลับไปสู่ที่ไปเนี่ยมันก็มีส่วนที่แตกต่าง ก, กันแต่ว่าเศรษฐะก็อธิบายความคิดของปกกระสาติไม่ได้ปารัตวช้าเองก็อธิบายความคิดของตาลุกกระพร้าไม่ได้ แต่ว่าสองคนนั้นไม่ยอมจำนวนคือไม่ยอม c o ี้อาจารย์มาแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่มั่นใจในข้อยุติ ก, กว่าในที่สุดก็พวกนี้เป็นพรามหนุ่มนะฮะเป็นเด็กหนุ่มอยู่ก็มาปรึกษากันเพราะว่า ถกเถียงอภิปรายกันไปแล้วต่างคนต่างก็ไม่ยอมใครนะฮะคือเรียกว่าก็รู้ไม่จริงด้วยกันลักษณะเหล่านี้ที่เราน่าคิดในปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันก็มีมานานมีมานานแล้วเราก็เราก็ทำได้แค่เป็นห่วงเวลานี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังดูรายการธรรมะนะฮะก็มีอยู่สามสี่ห้ารายการ ก็เท่ า, าบ้างก็ดูทุกคืนแหละแต่ว่าคืนหนึ่งก็หยุดลาไม่กี่นาทีเราจะเห็นว่าแต่ละจุดเนี่ยมันเน้นการบูชาครูบาอาจารย์เขาตัวเองเป็นเทพเจ้าอาจารย์เขาตัวเองก็เป็นศูนย์กลางพุดไปพูทมาบางแห่งมันก็แค่กับพร้มอะหมายความว่าเป็นที่มาของสิ่งสูงสุด แล้วกลับไปอยู่รวมกับสิ่งสูงสุดเผลอๆ พ, พูดไปพูดมาอาจารย์เขาเป็นสิ่งสูงสุดเสียเองแล้วก็มานี่ก็เพื่อจะนำลุกสิตไปสู่ที่สิ่งสูงสุดและที่สำคัญอย่างยิ่งพอคนเหล่านี้เข้ามาร่วมวมงอภิปรายเขียนเอกสารหนังสืออะไรต่างๆขึ้นมา คือบางเล่นเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าไม่มีพุทธพจน์อยู่เลยไม่มีการนั่งพุทธพจน์อยู่เลยดังครูบาอาจารย์ของตัวเองบางทีเราไปที่วัดของท่านแต่กบูอัศนาของตัวเองไว้ต่อหน้าพระพุทธรูปแล้กวก็นั่งเอาพระพุทธรูปอยู่ข้างหลังตัวเองก็นั่งหันหลังให้พระพุทธรูป ลูกิษย์ก็กราบพระอาจารย์บางคนก็ดีหน่อยที่กราบพระพุทธรูปก่อนแล้วมากราบอาจารย์แต่ว่ายัางไงก็ตามปฏิปทาของอาจารย์ที่แสดงออกมาในลักษณะอย่างนั้นมันมันขาดความเคารพอ่ะเมื่อเราอยู่ที่บ้านนั่งหันหลังให้พ่อเนี่ยมันมันไม่ได้ละมันขาดความเคารพ แต่ว่ามันเป็นการเกาะกลุ่มของคนกลุ่มหนึ่งที่มีความเห็นตรงกันเมื่อมีความเห็นตรงกันมันก็ไม่มีชิต์อะมันมีแต่ถูกเดี๋ยวน้อยก็ถูกใจของการอะไรกันทีนี้จากการสังเกตว่าสิ่งที่นํามากล่าวอ้างที่บอกว่าอาจารย์เขาตนว่าอย่างนั้นอาจารย์เขาตนว่าอย่างนี้อาจารย์เขาตนว่าอย่างโน้นเนี่ยมันก็เป็นพุทธพจน์ะ แล้วทำไมไปอ้างอาจารย์ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทน่าคิดมากเมืก่อนมีพระกรรมฐานรู้สึกจะเมื่อก่อนนะเขาอยู่ทางภาคอีสานตอนนี้ก็มาอยู่ทางเมืองจันทหลวงพ่อของเขานี่อ่านหนังสือไม่ออกนะ ตอนขานบวชก็มาฝึกกันเนรเนรว่าฟังท่านก็ท่องตามทุกวันก็อ่านหนังสือได้คล่องแล้วท่านสอนลูกศิษย์นี่สั้นๆคล้ายๆกับหลวงปู่แหวนหลวงปู่บุตราเนี่ยเห็นมีลักษณะอย่างงั้นสี่ห้าบรรทัดสิบบรรทัดถามมาอย่างมากในหลวงพ่อพูดสักเท่าไหร่ แกบอกไม่เกินสามสิบนาทีนานๆจะได้ยินสักครั้งหนึ่งสามสิบนาทีแต่ส่วใหญ่ก็เนี้ยสีห้านาทีกันเนี้ยข้อความสั้นนิดเดียว่ทุกแขกนี่อ้างพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้พุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้สอนว่าอย่างนี้ก็จะอ้างตลอดเยอะสุดชุดฉุนทั น, นแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่า ผมของท่านหลวดของท่านเล็บของท่านฟันของท่านเนี่ยก็ต้งแปรสภาพเป็นธาตุแต่อันนั้นก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะเราก็สุดวิสัยที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่เราชื่นชมยินดีที่ท่านถวายพระเกียรติพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดแต่พอถึงลูกศิษย์ก็มาไปเชิดชู อ, อาจารย์ เวลานี้ไปอภิปรายที่ไหนบางทีเราก็อึดอาดบางทีเราก็ติงเอาแรงๆกันที่ไปอ้างเอาเฉพาะอาจารย์ตัวเองโดยละเลยพระพุทธเจ้าคือเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปเชิดชูวัทกรรมของใครหรอกนอกจากของพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายพระยาสาวกทั้งหลาย ของพระยาสาวกก็ไม่ใช่เอามาทั้งหมดหรอกก็เอามาในข้อที่เหมาะวรแ ก, กร่กรณีนั้นๆเท่านั้นแต่จริงของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เอามาทั้งหมดอะเพราะมันเยอะแล้วเกิดจ ำ, ไ, จำไม่ไหวจำไม่บาดไม่ไหวแต่มันรู้สึกโปรงใจที่เราสนองงานพระพุทธเจ้าเรารับใช้พระพุทธเจ้า มันเป็นภารกิจเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทที่จะต้องศึกษาที่จะต้องปฏิบัติที่จะต้องเผยแผ่ที่จะต้องดูแลรักษาพระศาสนาเราก็ได้ทําหน้าที่ของเราก็ยังยังคิดว่าโอกาสที่เราจะพูดกันเข้าใจนะแล้วคนหันมาเทิดทูนพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวหมายความว่าพระที่เป็นครูบาอาจารย์อะไรต่างๆก็ต้องพร้อมใจกันแหละ บอกอย่าสร้างรูปสร้างเหรียญอะไรของฉันเลยถ้าจะสร้างก็สร้างพระพุทธรูปเถอะให้เหมือนกันเวนี้ไปใหญ่นะเราจะเห็นว่าเป็นเทพเปเจ้าต่างาศาสนาเข้ามาเยอะแล้วก็เป็นรูปของครูบาอาจารย์กเก่าๆโดยเฉพาะหลวงปู่ทวดก็สมเด็จโตนีิฮิตมากเลยล้เนี่ยใบองค์ใหญ่โตโมโหลานลคนก็ขึ้นกันจริงๆเหมือนกัน ก็ได้ใช่ก็สังขานุสติก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าอย่าลืมว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เพราะท่านเหล่านั้นอย่างมากก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทันนั้นเองไม่ใช่ที่มาของพระพุทธศาสนาแต่เป็นผู้สืบสานยุคพระพุทธศาสนาเท่านั้นผลความคิดของภารัตวาชามานบกับวาเศรษามานบจึง เป็นเรื่องที่นะ่าชื่นชมเพราะว่าตัวเองจะยอมอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีเหตุผลเหนือไปจากนั้นที่จะอธิบายต่างคนต่างประจําจากอาจารย์มาอาจารย์ว่ามาอย่างนั้นมันก็จํามาอย่างนั้นแล้วก็พูดกันไปอย่างนั้นในสุดก็บเบเชตาก็บอกพระละทวชะว่า พระสมณโคดมศักยบุตรทรงผนวดจา ก, กศักยสกุลประทับอยู่อามพวันใกล้ฝั่งแม่น้ำมจิรวดีทางชิตเหนือมณสกากตะกา ร, รเกียรติคุณอันดีงามของพระสมณโคดมนั้นได้แพร่ไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระหันจัสรูดีจัสรชอบโดยพระองค์เอง ทรงสมบูรณ์ในวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้โลกเป็นสารถีที่ฝึกคนที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นจะยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมเาพาลทวชะเอาอย่างนี้เถอะเราไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับแล้วก็กราบทูลถามข้อความนี้กับพระสมณโคดม ปัสมนาโคดมทรงจกักทรงพยากรณ์แก่เราอย่างใดเราจากักทรงจําข้อความนั้นไว้อย่างนั้ น, มนหมายความว่าที่อาจารย์สอนมาที่ปกะสาติสอนมาแก่ว่าเสตทะก็ดีที่ตาลุกะพรามสอนมาแกภ า, ารตะวชาก็ดีก็ต้องพักไว้ล่ะทำไม่พักไว้ก็ชักก็เยื่อกันอยู่อย่างนี้าหาข้อยุติไม่ได้เอาคนกลางมาตัดสินแล้วกัน เอาเสียว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไงก็คืออย่างนั้นตกลงกันอย่างนี้แล้วก็จะทรงจําความเป็นอย่างนั้นเอาไว้หมายว่ามันถ้ามีปัญหาในเรื่องนี้ต้องพูดต้องถกเฉียงต้องอภิปรายกันอีกก็ต้องอ้างอ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้แหละก็ทั้งสองคนก็พากันไปฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับก็ แล้วก็หลังจะผ่านขั้นตอนต่างๆนะฮะที่เป็นเป็นมัญญาติเป็นระเบียบในการปฏิบัติหรือข้อความตรงนี้เราจะเจอเหมือนๆบืกันว่าพากาันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้บันเทิงกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านสัมโมทนายกถาพอให้ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ว, กกว่าเชตธมานุก็กล่าวทูลว่า มือพระองค์ทั้งสองเดินเล่นตามกันไปเนี่ยได้พูดกันถึงเรื่องทางเลยไม่ใช่ทางการองค์พระองค์พูดอย่างนี้ทางที่ท่านปกรส า, าติพรามบอกไว้นี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นสายทางเดินเป็นทางนําออกนําผู้เดินไปตามทางนั้นเพื่อความอยู่ร่วมกับพรหมได้ฝ่ายพายรัตวาชกะ็ะบอกว่า ตาลุกกระพราหมก็ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เหมือนกันแล้วเสร็จแล้วก็ท่านก็นมาสรุปว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญในเรื่องนี้ยังมีการทะเลาะขัดแย้งและมีวาท่าต่างกันอยู่พระเจ้าจัดว่าว่าเสถะแต่ยินว่าที่ท่านพูดว่าทางที่ท่านโปกระสาติพราหมณ์บอกไว้นี้เท่านั้นเป็นทางทรงเป็นทางเดินเป็นทางนําออก นำพูดดังเนินไปเพื่อความอยู่ร่วมกับโภมได้พระรัตวาชาชก็พูดว่าท่านตาลุกพราามก็พูดในทํานองเดียวกันพระเจ้าก็มาสรุป่าถตาอย่างนั้นเธอก็ทะเลาะ ก, กันกับแย้งกันมีคงพูดที่แตกต่างกันออกไปแล้วท่านก็กลาบทูลว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริ ในเรื่องทางและไม่จะทางพราหมณ์คือพราหมณ์พวกอัถ ธ, ธริยะพราหมณ์คือพวกติฐิริยะติตทิริยะพราหมณ์คือพวกฉันโททกะพราหมณ์คือพวกผัวหาริยะหาิทะย่อมบัญญัติทนทางต่างๆกันก็จริงถึงอย่างนั้นทางทั้งหมดเป็นทางนําออกดําผู้ดําเนินไปเพื่อการอยู่ร่วมกับพระพรมได้เปรียบเหมือนในที่ไม่ไกลบ้านหรือนิคม แม้ทางหากจะมีทางต่างๆกันมากสายที่แท้ทางเหล่านั้นทั้งหมดล้วนมารวมลงในบ้านเหมือนกันชนใดก็แต่พระโคดมผู้เจริญี๋ยวท่านก็ทวนทวนคำกล่าวของพรามทั้งสองดังกล่าวบอกว่าเพื่ออยู่ร่วมกับพรมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันพุทธาก็ใช้วิธี ก็เรียกปฏิปุชาคือถามให้ตอบรับสั่งว่าว่าเซฐะเธอพูดว่าทางเหล่านั้นนําออกหรอือท่านก็กราบทูลมาเป็นอย่างนั้นรับสั่งถามว่าบดดาพราหมณ์ผู้จบใจเพศรามแม่คนหนึ่งที่เห็นพรมมีเป็นพยานอยู่หรือที่เคยเห็นพรมน่ะเห็นพรมจัดจัเห็นพรมในตาเนื้อเนี่ย ฉันก็บอกว่ายังไม่มีเจ้าแค่สามเอาแหละอาจารย์แม้คนหนึ่งของพราหมณ์ผู้จบใสเพศที่เห็นพราหมณ์มีเป็นพยานอยู่หรือบอกไม่มีเอาต่อไปก็อาจารย์ของอาจารย์ที่เรียกว่าปาจาย์นะครับอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยเรียกว่าป า, าจานแม่คนหนึ่งของพราหมณ์ผู้จบใสเพศที่เห็นพราหมณ์มีเป็นพยานอยู่หรือเอาแหละขนาดว่าลูกศิษย์อาจารย์ อาจารย์ของอาจารย์แล้วอาจารย์ของอาจารย์อีกทีหนึ่งอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์อาจารย์อีกทีหนึ่งก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันก็แสดงว่าอาจารย์เป็นนันมากนี่ยยังไม่มีใครเคยเห็นพรมก็ทยอยกันมาเป็นแถวพุทธเจ้าก็รับสั่งสรุปนะครับบอกว่าอาจารย์ที่สืบมาเจ็ดชั่วอาจารย์ ของพราหมณ์ผู้จบใจเพศที่เห็นพรหมมีเป็นพยานอยู่หรือก็ไม่เคยมีเหมือนกันได้รับสั่งว่าวาเสสะผู้ฤาษีเป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์ผู้จบใจเพศคือฤาษีอัฏกะฤาษีวามกะฤาษีวมเทวะฤาษีเวสามิตะฤาษียามาตขิฤาษีอังคีรสฤาษีภารลถวาชะฤาษีวาเสสะฤาษีราและกัสปะฤาษีปคุ ซึ่งเป็นผู้แต่งมูลไรม้มนที่ในปัจจุบันนี้พวกพราหมณ์ผู้จบใจเพศขับกล่าวบอกสอนตามซึ่งบนบทกล่าวนี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วได้ถูกต้องแล้วแม้ท่านเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้พวกเราเห็นพราหมณ์นั้นว่าพรมนั้นว่าอยู่นั้นชิใดอยู่โดยอาการใดหรืออยู่ในเวลาใดดังนี้ยังมีอยู่หรือ ก็บอกก็ไม่มีเหมือนกันพระเจ้ากระสั่งว่าบรดาพราหมณ์ผู้จบตจเพศแม้พราหม์สักคนหนึ่งที่เห็นพรมมีเป็นพยานไม่มีเลยเหรือบอกไม่มีเลยพระเจ้า ก, การะแม้อาจารย์สักคนหนึ่งของพราหมณ์ผู้จบใจเพศที่เห็นพรมเป็นพยานไม่มีเลยหรือก็ไม่มีกละก็มาถึงปาจารย์ก็ไม่มีอีกแล้แล้วก็สืบต่อกันเจ็ดทั่วโคตก็ไม่มีอีกแ ในสุผู้เจ้ารับสั่งว่าได้ยินว่าพรามพหมณ์พวกฤษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์ผู้จบตจเพศเกิดทั้ง8ปดเก้าคนตะกี้ที่ว่าเนี่ยซึ่งรู้แต่งมนไร้มนที่ในปัจจุบันนี้พวกพราหมณ์ผู้จบใจเพศขับกล่าวบอกสอนซึ่งมนบทกล่าวนี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วไม่ถูกต้องได้ถูกต้อง แต่ท่านเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้เห็นพราหมณ์นั้นอยู่ณที่ใดโดยการใดหรืออยู่ในเวลาใดพราหมณ์ผู้จบใจเพศเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่รู้ไม่เห็นแต่พวกเราแสดงหนทางเพื่อการอยู่ร่วมกับพรหมเหล่านั้นว่าทางหนทางนี้แหละเป็นทางทรงเป็นสายทางเดินเป็นทางนําออกนําผู้ดําเนินไปตามทางนั้นเพื่อความอยู่ร่วมกันของพรหมนั้น รับสั่ถามว่าเธอจะสําคัญความข้อ น, นั้นเป็นเช่นไงเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิท์ของพราหมณ์ผู้จบโดยเพศก็ไม่มีปาฏิหาริย์คือพิสูจน์ไม่ได้อะพูกง่ายพิสูจน์ไม่ได้วาเสตะก็กระทูนว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพาสิทิของพราหมณ์ผู้จบไตรเพศย่อมไม่มีปาฏิหาริย์พระเจ้าแกพระเจ้ารับสั่งว่าวาเสตากดีละพวกพราหมณ์ผู้จบโดยเพศไม่รู้จักพรหม ไม่เห็นพรมแต่แสดงหนทางเพื่อความอยู่ร่วมกับพรมว่าหนทางนี้แหละเป็นทางตรงเป็นทางเดินเป็นทางนำออกนำผู้ดำเนินไปทางนั้นเพื่ออยู่ร่วมกับพรมได้ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้วิเศษะเหมือนแถวคนตาบอดที่เกาะหลังกันแล้วก็เดินตามกันไปเป็นท้าเลยคนต้นก็ไม่เห็นคนกลางก็ไม่เห็นคนหลังก็ไม่เห็น ประสิทธของพรามที่จบใจเพศเนี่ยเหล่านั้นจึงเป็นคำหน้าหัวเราะทีเดียวเป็นคำต่ำช้าเป็นคำว่างเป็นคำเปล่าวาศษฐะเธอสำคัญความข้อนั้นเป็นข น, นาพรามที่จบใจเพศย่อมเห็นพระจันทร์และปราอาทิต์แม้ชนทั้งหลายอื่นเป็นอันมากก็เห็น พระจานทร์และพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อใดตกเมื่อใดพระนารายย่อมอ้อนวอนชื่นชมประพรมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนรอบก็แต่พระโคดมผู้จเจริญพระพามผู้จบใจเพศย่อมเห็นพระจานทร์พระอาทิตย์แม้ชนเหล่าอื่นก็เป็นอันมากก็เห็นพระจานทร์และพระอาทิตย์ว่าขึ้นเมื่อใดตกเมื่อใดพระนารายก็ย่อมอ้อนวอนนังกร่าวรัศดังย้ำให้คิดนะฮะ เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะส่งเสริมให้คนค่อยๆ ค, คิดเพราะว่าท่านก็ยึดติดในคำสอนของปุกระสาติอยู่วเสษฐะเนี่ยยึดสอนยึดมั่นในคำสอนของบุกระสาติอยู่พระรัวราชก็ยึดมั่นในคำสอนของตาลุกพรามอยู่แต่ว่าก่อนจะมาเนี่ยท่านตกลงแล้วตกลงแล้วว่าพักคำสอนก็อาจารย์ทั้งสองไว้ก่อนคือไม่เอามาเป็นประเด็นในการโต้แยง้งเพราะว่า ตัวยังไปตัวยังมาก็หาข้ อ, อยุติไม่ได้ไปถามพระพุทธเจ้ากันพระเจ้าวินิจฉัยว่ายังไงคืออย่างนั้นมายความว่าก็ใช้ความเชื่อคือเปลี่ยนเปลี่ยนที่เชื่อจากเชื่อพระจากเชื่อกราติกับตาลุกะพราวเนี่ยมาเชื่อพระพุทธเจ้าและนี้ก็สอดคล้องกับที่กล่าวไว้ในตอนต้น ว่าอย่างระษริบุตรกับพระโมคคัลลานะคะริจระจะเห็นว่าในกระเริ่มต้นท่านก็เชื่อสัญชัยเวลัฐบุตรแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ตามคำสอนของสัญชัยเวลัฐบุตรโดยการใช้ปัญญาวิเคราะห์วสวดสอบสอบทานเพ่งพินิจพินิจ พ, พิจณา แล้วก็นํามาลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วเมื่อหาข้อยุติไม่ได้ว่าผลกับเหตุมันไม่สอดคล้องกันนะี่ยกล่าวเหตุว่าอย่างนี้ผลออกมาเป็นอย่างนี้กร่าวเหตุว่าอย่างนี้ผลออกมาเป็นอย่างนี้มันก็ไม่สอดคล้องกันในสุดก็เปลี่ยนเป็นผู้สแสวงหาการสแสวงหานั้นปุิดใจกว้างนะคือยังไม่ปรองใจไว้แก่ใครแม้แต่คนเดียว ตอนแรกนะปรงใจที่สันชยัยแต่พอปล่อยวางที่สันชัยแล้วท่านไม่ปักใจนะฮะไม่ปักใจลงที่ใครคนใดคนหนึ่งพอไปเจอพระอัสสชิท่านก็เริ่มตั้งหลักการคิดสอบทานเทียบเคียงอิริยาบถ ท, ทั้งหลายการก้าวการเดินการก้มการเงยการคู้แขนเหยียดแขนการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับต่างๆ เป็นอเดียบที่สวยงามหมายความว่าจะไม่เคยเจอคนทั่วไปที่มีเอเดียบทในลักษณะอย่างนี้และโดยเฉพาะก็เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นนักบวชซึ่งเป็นนักบวชที่แปลกไม่เคยเห็นด้วยก็เป็นนักบวชประเภทภิกษุก็คิดว่าท่านรูปนี้น่าจะเป็นพระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่งหรือ เป็นสาวกของพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งนั่นก็เริ่มโน้มเอียงไปในทางเชื่อว่าเป็นพระอาหารหันต์แต่ท่านก็ยังไม่ตัดสินใจจนผ่านขั้นตอนปฏิบัติวัดถากพระเถระเรียบร้อยแล้วก็เรียนถามเมื่อพระสิชิได้ แ, แสดงหลักที่เป็นหัวใจพระพุทธศาสนาว่า ทำทั้งปวงเกิดจากเหตุแต่ราฐาจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นประมาสมาณะมีปกติตัดอย่างนี้ท่านใช้ปัญญาเลยนะแต่ว่าจังหวะก่อนเนี่ยมันน้อมด้วยศรัทธาพอจากนั้นก็ใช้ปัญญาคิดคิดตัวธรรมะ จะสืบเนื่องมาจากปุกรลิกภาพที่สง่างามที่สงบเย็นของพระสัชชิเทระแล้วท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมตอนนี้ความเชื่อมันหยางลงอย่างรากแล้วในพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจสิกขาเพราะแนวการแสวงหาของท่านบาเศษทะมานพกับพระรัตวาชามานพมนก็แนวใล้กันหมายความว่าไม่ไปยึดติดอยู่ที่ใดที่หนึ่ง พร้อมจะเปลี่ยนถ้าเจอสิ่งที่มีเหตุมีผลมากกว่าแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ยึดถือไว้ก่อนโอกาสใดที่มันพร้อมก็จะปล่อยวางไอ้สิ่งที่ยึดแล้วก็ไปยึดสิ่งที่พบมาใหม่ลงมือพิสูจน์ทดสอบต่อไปพอได้สัมผัสผลก็ได้บทได้ข้อยุติ นี่ก็เป็นวิธีการเป็นปฏิปทาเป็นหลักการดำเนินชีวิตนะของบัณดิตทั้งหลายในอนดีตคือยกคนสองฝ่ายขึ้นมาให้ดูนะฮะเราจะเห็นว่าแนวกล้ใกล้เกี่ยงกันทั้งฝั่ง่าไหร่เสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปรทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้